วันนี้เป็นวันธรรมชาติเป็นวันสีวันพระวันเด็กเด็กศพเป็นันจีนกัวันเวลาอนเป็นเดเป็นวันเดเป็นวันธรรมชาติเปวันต่งชาติันพระวนสีวันตามวันเด เส่อหัวจเจ้าอันี้ยากในลาว่ายากโยม <c oughs> แต่ระดับรับฟังคำคือธรรมดาสลาวา่ามีหน้าขี้งานมากเหมือนนักบวชนักบวชตัวการงานมากเหมืานตันแต่การงานของท่านงานล่ี่โเลแต่งานงของสลาว่างาน องโลกงานหามาเพื่อตายส่วนใหญ่ไม่ได้หามาเพื่อใจแต่งานก็ะงานก็เ่าเบื่องานหามาเพื่อใจโอกาสเวลาวันจีนเดือนปีที่ผ่านไปจะต้องตั้งใจกาหนดที่นี่ที่เจอาระขั่วําเพ็ญบีเกตัวค่องตัว ไม่หนงเฉยหนีาปงานของพระของนักบวชทุกวันทุกเวลากำหนดที่นี้ที่เจนาใจของตัวแตมันเสียมันเสียที่ไหนเะกะิดเกินกำลสา่งเลยเสีดใบเส่ยมเสืยดเสียมเสียจนจะตกออกไปแต okay. ะฆราว น, นั้นจะมากำหนดจิตไปเรื่อยเรื่อย มาเด็ดทำการทางานด้านอื่นก็ไม่มีใครที่จะมาหามาให้จำเป็น ต, <c oughs> ต้องส่องขว้างชข่เยตัวเองที่ทำการงานต่างๆนานาเื่อใดมาถึงปัจจัยคือข่าวของเงินทองต่างๆมีชราวาัตรยุ่งเย้งในการ ง, งานภายนอกอยู่ตลอดเวลาทางหา มีถืโอกาสมาสะดับรับฟังธรรมในสมัมฤะธสางฆหยิบใจของตัวเองนันก็อเม่อดำไม่มีวันมีเวลาที่จะผ่องใสที่จะสะอาดแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงอง 7, 8, งนุญาตเก็บวันแปดวันนะแต่เช่นกันสังธกรรมเหรวกวัวนสัมมสวนนะรค์คือวันกระดับรับฟัง ทำจากวัดจากวาจากพระจากเ จ, จ้ามีหมายชีงสิอยู่เป็นฆลาวาสแต่ฆราวาสที่เมื่งหน้ามุ่งตามุ่งศึกษาอาดทําจริงจังก็มีทางศึกษาได้ในต่องหาวันเวลาพอกเกิดเกิดมากับจิตกับใจทังตัวนั้นในต่องถือว่าวันนั้นวันนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้น มันเกิดขึ้นได้ทุกเดือนทุกปีทุกว่ทุกวันแต่ น, นั้นมันจึงหนีทันกับเรื่องของใจถ้าหากเราจะนานๆกินจะใส่ ส, สํารับสาสางทีหนึ่งความสดกักดกดโปรตีมมันมากมันทําะอาได้ยากพอมันแก่มันดองมานานดังนั้นการฟังธรร ม, ามจาศีล เป็นเป็นจิตอันหนึ่งสิ่งชรวัดนานานทีหกวันเดวันแปดวันจึงจะมีโอกาสมาชำระสาสางจิตใจของตนวันเนนี้ก็ได้ละเิียงการงานบ้าน่องของตัวการงานถือเคยทำก็ไม่ได้ทําเพราะเกิดมาจําศีลมาในวัดถือเคยชักเคอาศัยเคยเดืกสบายได้เพราะ มอหมอนตางๆล้วก็ละมันพิงจอยมันพิงพอจำศีลวนถึงจำศีลจะไปนั่งไปนอนอาสนะที่อ่อนยัดโดยมุนโดยสมุดมันก็ผิดเสืศีลต้องใช้จาใช้มันยัดไว้คือถือทางศึกทางใจเป็นส่วนใหญ่ในในชีวิตตอนติดทางตาย การมาจำชินการมาวัดมาว่ามาภาวนาล่กิเลสแต่เราไต่างหนาต่างตาการทํามันเพ็้นจริงจังมันก็จะไม่เห็นอันนี้สงให้ไม่เห็นอันนี้มีสงก็เกิดสงสัยว่าเราเป็นคนอาทับอาวัชนะประชิดปัจจบัติอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปอย่างเขาเราอาจจะสงสัยเหมาตัวเองมีตปนตายก่อนใช่ ทำอะไรยังไงถึงไหนก็หายใจแบบเตือเหลือวิสัยไปแล้วถ้าพูดไปจ่าหน่อยสอนให้ยอดเถออย่างนั้นสอนให้ตั้งมาตั้งตาสำราสาส์นมีการเคียนบากบันทยายามว่าลักการบันงอกหรือบันในขาเป็นถอดถอยหยดช้างไม่เอาทาน คนนั้นจะทำการทำงานด้านโลกหรือด้านของธรรมก่ําเสร็จสิ้นไปให้ฉะนั้นท่านจึงสอนในขยานนเทียนแสดงสลาสาสางจิตใจทั้งตนเพราะทุกคนนั้นก็มีกิเลดที่จะสำละมีสีมีสมาธิมีปัญญาที่จะแก้ไขตายใจทั้งตนในดีเด่นได้ในเชล่ไม่มี กิเลดมันยังมีอยู่แล้วก็มีทางที่จะต้องรักษาสางมันาหากเราเหมือนองดูเรื่องเหล่านี้การ ม, มาวัดมาว่ามันจะมีสารประโยชน์ให้แต่เรามงดูเรื่องเหล่านี้เรามาวันนี้มาจําศีลมาภาวนามาสชำระกิเลสจากเช้าจนยันท่ำเราจะทำอะไรบ้างที่เป็นไปในทางสําระกิเลสตัญหาออกจากก า, า, ายใจใจทังตน แต่เสีดตาที่นี้ที่เจรามาทำไมเสีดตาที่นี้ที่เจรณายงแจะมาวัดมาลาเฉยเถยดันเชื่อผีผ่านไปตามงานผีคนทำเลสเหนือทำด้านจิใตใจตรงนี้อะไรมีเสีดให้เกิดความลังเลสงสัยว่าาววัดชาววาทำไมใจจึงเมืดอดำดำตาอย่างนั้นอย่างนี้พ้าเราไม่ตั้งใจทำทำดี ความดีมนก็เก <c Reading everyday discussions> ิดข <entender> <ale> ึ้นไม่ได้แต่เราตั้งหน้าต่างตาําราสาสางจิตใจทของเราถึงมันจะหมดหนาสาหดขนาดไหนด้วยอานาจความเพียนของใจพยายามขับไล่พยายามทำตำรามันสิ่งที่ใหญ่โตนั้นก็จะค่อยหมดไปหมดไปเหมือนเขาถางป่าหรือเขาผุดดินถึงมันจะใหญ่โตขนาดไหน เกดไปเรื่อยๆมันก็ะหมดไปได้ถึ่องแผระเบิดภูเขาเจาะภูเขาก็ยังมีทางต้นเร็จเพื่ต้น็ประโยชน์ให้มีการชำรยใจของเราก็ทานองเดียวกันหมั่นสำระสาสางเลือดความเพียรพยายามต่างๆจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งจะนอนก็ดีมีสติมีปัญญาสมบมดรักษา จิตรักษาใจท้องตนท่นบอกเป็นความเพียมขะหกักจติปัญญาในตามรักษาจิตใจของเรามันว่าวุ่นไปติดไปขวางอารมณ์ชัญญาต่างๆอดีต ท, ที่ผ่านมาแล้ว น, นานขลาดไหนมันจะละลึกไปอนาคต ย, ยังไม่มาถึงมันจะจึนไปสิ้นไปจะจึงบนันมันนึ่อยู่ในตัวอมันนี่จะจะคิดข้างหน้าคิดข้งางหลังจึงข้างนอก ใจแต่เลยเนี่ยมีวันมีเวลาสว่างสวัยใจก็เมืนมีเวลาสงบคนที่มีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นแหละเป็นทุกข์มากคนที่มีอารมณ์น้อยเท่าไรคนนั้นมีความสุกใจความสบายใจแต่นั้นทํางใจให้กําหนหดบทำขพอได้ข้อหนึ่งสึ่งเป็นเื่องบอริกรรมสำหรับจะให้จิตใจทังตัวตัง้งจิตอยู่ใน ทำบาริต์มเหมือนนั้นเป็นพุทโธทำโมทังโคหรือ阿อ拉หงังอย่างในอย่างหนึ่งสึ่งถือกับจริตนี้ใส่ท้องตนเมื่อเราบริต์รมอยู่ใ น, นทำบริต์รรมของเราใจมันจะไปเกาะเกี่ยวจิดข้องกับเรื่องอันอืน่ในใจมันก็คอยสงบรยงรวมได้มีความสะดวกสบายมีความเยเ็ยนเย็นมีความสุข ภายในมีเห็นอา น, นิสงในการแตะทำของคนว่าจิตของคนในจิตเข้มทรามาแล้วถึงอายุจะมาขนาดไหนใจนั้นไม่เคยสงบเรียงเรียงให้ในใจมนไม่เคยสงบเรียงเรียงให้จะไม่เห็นอะไรที่จะฝึกจะสบายยิ่งกว่าเห็นรูปฟังเสียงถูงกกลิล่นรื่นรสหรือสัมผัสมันเลยจิดไปทางนอก ยิงไปทางนอกใส่ใจว่าความฝึกดีกับส่วนนั้นแต่ความจริงแล้วถาหากเรามาทำภาวนาทาร้ า, า, ายใจของเราให้หมดสัญญาเวนส่วนนั้นกลับเามาภายในที่เจนา่าลมหายใจเลือดทีเจนา่ <c oughs> อาอะไรเลวลาต่างๆเต็มจิตได้รับความรงมรวมส่อยจากสัญญาลมเราจะเห็น แต่ความสุกยอดเย่ยมจริงจังนั้นมันไม่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวของตัวเองในตรงไปหาสุเอื่นนั่นนี่แต่สุของใจสเรียมลงสี่ความเป็นหนึ่งนั้นมันสุขพอแล้วสุขอื่นนั้นสุกโดความหลงจนสุขจอมจอมเหนยสุขน่ยนอนเอยสุขสี่ b e a u s e โดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าเองหรือเหตุผีกระดึงขี้กระสัในสมัยก่อนที đ đ t, ่ท่านเคยมีเก่าของเงินทองบ้านช่องต่างๆเต็มบูมแต่ท่านก็มาเดือดจิตมาเดือคิดมาเดือดจงไปในของเก่าพอใจของท่านและรับความสุขความสบายจากการสะพิดปฏิบัติอาชธรรมมีเห็นจนสิ้นจากการประพิดปฏิบัติของท่าน แตความสุขอันนี้เป็นความสุขที่แนนอนเป็ความสุขที่จริงจังเป็นความสุขที่เลศิศเราเสดว่าความสุขทั่ อ, อไปในโลกที่สร้างโลกของจิตคิดจึงว่าความสุขอย่างนั้นความสุขอย่างนี้ดีดีเสดเพราะสุขกับเรื่องของกีเลสนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แนนอนไม่ใช่ความสุขที่ เ, ย, นนเ ย, ยือกเย็นสุขเป็นชิตเป็นไครเหมือนยา เกี่ยมั่นตามภายนอกหวานภายในเป็นเชิดหนุ่มุขจากจิตใจจิตใจแจงในเรื่อ ง, องที่เหลือกัญหาก็ะทนองเดียวกันเมื่อเรามากระเทเชปฏิบัติเรื่องอาจทำเข้าใจเห็นแจงในเรื่องของจิตที่ส ง, งบปล่อยปะละทึ่งเรื่องที่เหลือกัญหาต่างๆมาส ง, งบยวมยงไปใจของเราเห็นใจของเรารู้ว่าความสุขอันนี้ เป็นความสุขทีดีเด่นเป็นความสุขที่ประเสริฐยิ่งเสรกระพุทธเจ้่าท่านฉลาดสาวกท่านฉลาดท่านมาเห็นมาเป็นอย่างนี้ท่านจะมีความสุขความสบายทุกตามทุกเวลาใช่คือคืออยู่ที่อาศัยตลอด <c oughs> อาหารการเสวยโขฉันต่างๆ่างไม่สมบูรณ์พูนฉุกอะไรแต่ท่านไปอยู่ได้ตามป่าตามดงตามเนิน้าตามถาม้ำกเพราะท่าน เห็นความทนเห็นความสุขส่วนนี้เราเองจะสราบดีว่าจิตของท่านมันเป็นอย่างนี้ขึ้นท่านจริงม่จิตในขวั่งในเรื่องของโลกพอเราเห็นเราเป็นจะมีพยานสิทธในตัวของเราถ้าเราไม่เห็นไม่เจิตจะฟังขนาดไหนมันก็ไม่พอใจให้เพราะใจของเราไม่ได้สัมผัสกับอัตธรรมจิตพระพุทธเจ้าเห็นเป็นจาก เราได้สัมผัสเราก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าสมัยพุทธากาลเป็นอย่างไรสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไ ร, รกิเลสเนี่ยมีอยู่ในใจในว่าสมัยใดมันเดือดร้อนมันแผลเขาเหมือนกันกันกบไฟจะอยู่ในที่ใดมันก็ร้อนก็เผาอีกอย่างนั้นไฟรัาคาไฟปัญหาแั่เชื่อว่าเป็นไฟสําคัญไฟภายนอกก็ยังมี การดับได้และหลีกเลี่ยงได้แต่ไฟภายในที่มันไหม่เท้าหัวใจนี้ถ้ายในมีอาจมีธรรแต่ชำระสายสังมันไมีวันเวลาจืีดยดจังไม่มีวันเวลาที่จะเยือกเย็นได้ไม่มีวันเวลาที่จะดับได้สั่งเจ้าหเอาสติเอาปัญญาคนนี้สอนเอาธรรมะคนนสอนชำระดับไฟภายในหัวใจที่เชื่อมโยงเี่ยวข้องเรื่องต่างๆนั้น โดยอำ น, นาจที่เราไม่เคยศึกษาในเด็กที่พิจารณาใสตอนถี่ท่วงเราจึงปิด่องจึงยึดถือหาเราที่พิจาาศึกษาในธรรมะแล้วจึงต่างต่งนั้นมันไม่หลงไหลใส่ันกับเราเลยเราจะหลงมันต่างหากมันไม่เลยหลงเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรงก็เป็นอย่างนั้นถึงเราหามาได้หน้ามาขนาดไหนเราจะหวงเหนเอาไว้ ว่าเป็นของท้องเราของหน่งนั้นมันก็ไม่ได้หร่ามันเป็นของท้องเราโจรมันมาขโมยเอามันก็เอาใจได้แอ่เราเป็นของของเราก็เอาไปไม่ได้เนี่มันไม่เจอของท้องเรามันของท้องโลกถึงเราไม่จากมันหนีมันก็หนีจากเราหรือมันหมีจากเราเราก็จากมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นของท้องโลกเนี่ยเราทิ้ที่เจนาอย่างนี้สิ่งชีวิตท่องเรา เผื่อแทนเราว่าเมาเราเศ้าฝันแสลงหายนั้นมันตอบกลอยมาเผื่อจะพับผจิตใจของตัวเองให้ยึดให้ถือให้เบียดให้ร้อนให้วุ่นให้วายเมื่อมันมีการจิหายไปเสยใจเบียดร้อนแล้วเขามาขโมยเอาหรือย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะเมื่อมันยังมีอยู่เราก็เป็นทุเลาดูลรักษา เราไม่มีอะไรที่จะถูกจะสบายให้ไม่นเหมือนอนับเหมือนทำที่เราปฏิบัติอาบทำที่เราปฏิบัติผู้เห็นเด่นชัดในตัวของเราแล้วใครจะมาป้วนม า, าขีา่มาฆ่นมาทีอาบทนั้นเขาจะแย่งจะเชื่งไปที่ไหนแย่งเชื่องไปไหนได้เพราะเป็นสมบัตขิของเราเรารู้เราเห็นเราเป็นอย่างไรแเราพอยใจอยู่ในตัวของเราไม่มีอะไรที่จะมาทำ ให้เสียหายแน่นในท่วงพลาชายยึดไใไม่ได้โจนใจนะ้ำลมอะไรจะไหมทัดตาให้ความดีของเราเสียหายใจไม่มีราะความดีนั้นจากไปจากอามิตไพยแม่สิ่งคนอื่นจะนะั้นหยิบยกออกไปได้คือเป็นความดีภายในใส่ใจรู้เห็นอยู่ในจิบในใจข่องตน การสงบเยือกเย็นดูเห็นเด่นชัดอยู่แล้วไม่ได้จดท่องเออเมื่อมาเนวเส้าชิดว่าสิ่งนี้เหนี่ยวใจสถานที่นั้นเขาจะปล้นจะขี่เอาไปไม่ได้ชิดโดยจอย่างนั้นเราหนีไปสิงนี้จะมีคนมาขโมยเอาหรือมีคนเส้าคนรักษาเรับมันดีมันอยู่กับใจไปสถานที่ใดมันติด ตัวเรื่อยไปมันเรื่องแห้งทางหน้าต่างๆล้วเฉือนใจมันอยู่ในใจของเรามันเบามันสบายแต่ใจเราอยู่นี่คือความฉุดใจในเขียวิดชิดรู้เห็นใ่อาจในธรรคชิเป็นอาเป็นธรรมุสบายอย่างนั้นส่วนอนิเป็นอย่างนั้นจาใจนิดหน่อยก็มันจะเสียจหาย ในดูแลรลักษาให้ชุดไตปูงไตตั้งแตเรื่องเรื่องเรื่องหวงอยู่เสมอใส่ใส่เหมือนเรื่องอาเรื่อ ง, อองทำมันจึงลำบากแต่าาหาชุดที่มันพิจารณาเป็นว่าจิตของเรามนึ่จิตค้องอยลืตามชุดม่อาาได้ทำแต่เราไม่จากมันมั น, นจะจากเรา เราไปจิตไปท่งในั้นมันไม่ได้ใส่เดยสั่ไม่ได้ชุดเดืองจุ่มมันเป็นแค่ให้เราลูบเท้าอย่างจริงจังแล้วนั่งไปจิตก็สบายจิตพิงด่างรับถุใน่ห่ะข้งหน้าอยู่ในตายองเราจะเหมือนกันใจของไรถือเรายึดเราถือเก็บถนักยินดีจะ่ช้านวรถีทางในที่จะมาตกแต่ตามธรรมะของพระพุทธเจ้า ตอนนันของยุได้จ่ายจิ้มจนไปส่องเข้าไปในที่มืดในมองเห็นจิ้งต่างๆพัดเกอนจนจิงแกในนี้ทาสบายสองแล้วมันมืดมันดำในศาบตอะไรจนอะไรกันแน่เมื่เราอยู่ในที่มืดจะจับอะไรนั่นก็ไม่ถูกถึงนั้นตามต่างๆเช่นเราจึงที่มืดที่เหนื่อยที่เสียทีหา ก่ทางเรไม่เห็นแล้วก็เชือว่าสิ่งนั้นเปนเคร่องหยุดค่งดีอาจจะไปจับอาจจะตั้งมากนี่ตามยาไห่มีธรรมะไม่มีหยุดใจต่อเยิงวุ่นไปติดไปแ้างในสิ่งอย่างนี้นทาเหงื่เดืยดแล้วบุญรายต่างๆนานาขึ้นเพราะเราไม่มีธรรมะฉะนั้นเรื่องธรรมะจึงการเป็มเฉพาะเรทุกคนที่จะตั้งบำเพ็ญที่จะตั้งกับธรรม ในตี่เห็นให้เป็นขึ้นจากหยุดจากใจทังตนก็ธรรมะแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ตามกำลังกลงไม่ได้อยู่ตามวัดตามบ้านไม่ได้อยู่ตามคัมภีร์โบราณไม่อยู่ตามคัมอาจารย์มันอยู่ที่ตัวของเราเองแต่เราเห็นเราเป็นเรารู้เราใส่ใจมันเป็นธรรมะของเรา